ความแก่ความเจ็บความป่วยความตายนี่เป็นทุกทางกายมันก็มีเหตุมากมายนะเฉพาะความป่วยอย่างเดียวนี่ก็อาจจะป่วยเพราะโรคอาจจะป่วยเพราะดินฟ้าอากาศธาตุแปรปรวนอาจจะเจ็บเพราะอุปัติเหตุหรือมีคนมาทำร้าย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 เกิดจากความผิดหวังเกิดเมื่อมีคนมาตำหนิต่อว่าเกิดเมื่องานการล้มแล้วหรืออกหักแต่ทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมานี้เมื่อสาวไปถึงที่สุดก็คือความยึดติในใจของเรายึดติดว่าอะไรนะยึดติดอย่างแรกคือยึดว่ายึดว่ามันเที่ยง หรืออยากให้มันเที่ยงไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความสัมพันธ์ตลอดจนร่างกายนี้หนุ่มสาวก็อยากจะยึดให้ร่างนี้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดนะพอมันเริ่มแก่ผมเริ่มงอก ผิวหนังเรื้มผิวย่นหน้าตกกระทั้งทั้งที่มันไม่ได้ทําให้ทุกข์กายแต่อย่างใดในแต่ใจนี้ทุกข์ละเพราะมันไม่ไเป็นไปอย่างที่ยึดอยากเอาไว้คืออยากให้มันเที่ยงบางทีแค่มีสิวนี่ก็ทุกข์แล้วนะทุกข์อย่างหนักเลยก็ เ, เคยมีการสอบถามที่ประเทศอังกฤษนะคนที่มีสิวเนี่ประมาณสิบอกว่าเป็น สิ่งที่เลวร้ายที่สุดนะที่เกิดขึ้นกับเขาแค่สิวเนียนะมันกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสําหรับเขาไปแล้วทั้งที่ในชีวิตนี้มันมันมีสิ่งเลวร้ายมากกว่านั้นอีกเยอะนะแต่ว่าเพียงแค่ใบหน้าแปรเปลี่ยนไปมีสิวไม่กี่เม็ดนี่มันก็ทําให้คนมีความทุกข์ทุกไม่ใช่เพราะสิวนะ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 สิ่งต่างๆด้วยลำพังในความพระพลาสูญเสียไม่ทาให้เป็นทุกข์นนะแต่พอไปยึดเข้าว่ามันต้องเที่ยงมันต้องอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยพอมันแปลเปลี่ยนไปก็ทุกข์เลยนอกจากยึดให้มันเที่ยงก็ยังมีความยึดเพาะายึดอยากให้มันสุข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 ความสุขที่เคยได้ม า, มาก็จืดจางครนนี้ก็ไม่สบายไม่สบายใจแล้วอยากได้ใหมนะ่การซื้อของใหม่อย่างที่พูดเมื่อวานนี่ก็เป็นการเพื่อลดทอนไอ้ความทุกข์ที่เกิดจากการที่รู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มีมากมายนะั่นมันมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราละ หรือว่าเวลาข้าวของทรัพสมบัตินะมันเสื่อมไปเสียไปลดเสียโทรศัพท์พังหรือหนักกว่า น, นั้นคือคอมพิวเตอร์ฮนะาร์ิกเสียนี่บางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยร่างกายนี้นะเราก็อยากจะให้มันเป็นสุขไปตลอดแต่พอมันเริ่มเจ็บเริ่มป่วย แล้วนะก็ทุกเลยจริงๆความเจ็บป่วยก็เป็นแค่ทุกข์กายนะแต่ทำไมทุกข์ใจก็เพราะอยากให้มันเป็นสุขนะจริงๆไม่ต้องแค่เจ็บปวยนะแค่ความเมื่อยแค่นั้นแหละความเมื่อยความปวดเวลาเรานั่งนานๆนนเราก็เริ่มปวดเริ่มเมื่อย มันก็เป็นอาการแค่ากายนะเป็นความทุกข์ทางกายแต่ทำไมทุกข์ใจเพราะลึกๆยึดอยากให้มันสบายไปตลอดมาวัดนะเจอยุงเจอแมลงนะต้องนอนกระดานนอนพื้นอันนี้ก็เป็นความไม่สะดกสบายทางกายแต่ทำไมบางคนนี่ทุกข์ใจมากก็เพราะยึดอยากคาดหวังให้มันสุขให้สุขเหมือนบ้านนะ ไปกินร้านอาหารไปกินอาหารในร้านดังร้านหรูอาหารก็พอใช้ได้แต่ทำไมถึงทุกขนะ์ก็เพราะความยึกอยากว่ามันต้องอร่อยกว่านี้เสียเงินไปเป็น 101, ร้อยเป็นพันรสชาติได้แค่เนียงเหอนะรอรสชาแบบนี้เวลาไปกินที่ข้างถนนนะ ร้านแผงลอยแบกกระดิบก็เป็นสุขนะเออดีแต่พอเราชายเดียวกันมากินในพัตคาหลหรูๆนี่กลายเป็นทุกข์ไปเลยไม่พอใจทั้งที่ที่มันก็อร่อยนะแต่ว่าความยึดอยากว่ามันต้องอร่อยกว่านั้นหรือว่ายึดอยากว่ามันต้องอร่อยตามมาตรฐานนะก็เลยเป็นทุกข์ไป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 สุขไปได้เพราะทุกอย่างก็เจออไปได้ทุกอย่างร่างกายเราเนี่ยมันเจอไปได้ทุกตลอดเวลาเมื่อกี้เราก็เพิ่งสวดนะว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความทุกอย่างเอาแล้วความทุกมันอย่างอยู่ในกายของเราเจอตลอดเวลาเพียงแต่บางครั้งมันไม่แสดงออกในตอนที่ไม่แสดงออกเราก็นึกว่าสุข แต่พออยู่ไปสักพักเอามันทุกข์ซะแล้วลองสังเกตดูเวลาเราขวัญขายอียรียบดเช่นเรายืนเดินเราเมื่อยแล้วเรานั่งดีกว่านั่งนี่ก็รู้สึกสบายใช่ไหมแต่พอนั่งไปสักครึ่งชั่วโมงไม่ว่านั่งในท่านไหนก็ตามมันเริ่มเมื่อยแล้วเองงั้นพิงเสาดีกว่าพิงเสาแล้วก็สบาย แต่ว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรู้สึกเมื่อยแล้วไอ้ความเมื่อยเนี่ยคือทุกข์ที่มันแสดงออกมาจริงๆมันก็อยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ปรากฏให้เด่นชัดพอเวลาผ่านไปมันเริ่มแสดงตัวชัดเจนเอนเสานี่เมื่อยนั้นนอนดีกว่านอนแล้วสบายแต่มีใครบางที่นอนแล้วสบายไปตลอดเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงก็ต้องขยับแล้ว คืนนึงคืนนึงนี่เราขยับขณะที่นอนอยู่ไม่รู้กี่ครั้งทำไมต้องขยับนะเพราะว่าเพื่อบรรเทาความทุกข์ความเมื่อยความเมื่อยหรือความทุกข์นี่มันอยู่กับเราตลอดเวลาและที่เราทำตลอดเวลาก็เพื่อก็คือเพื่อบรรเทาความทุกข์แต่เราไม่รู้ตัวเท่านั้นแหละ เชนเวลาเราหายใจเนี่ยลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆสิทีแรกหายใจเข้าก็สบายแต่พอหายใจเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆสักห้าวินาทีหรือ1ิบวินาทีมันไม่ไหวแล้วอึดอัดเครียดทำยังไงก็ต้องหายใจออกตอนหายใจออกทีแรกสบายแต่พอหายใจออกไปเรื่อยๆนี่มันกลายเป็นทุกขนะ์ ที่จริงเนี่ยทุกมันอยู่กับเราทุกลมหายใจแต่ว่ามันจะแสดงออกให้เราเห็นชัดแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เพื่อบรรเทาทุกในร่างกายนี่ก็ถึงบอกว่ามันมันเต็มไปด้วยทุกแต่เราไม่รู้เราคิดว่ามันเป็นสุขแล้วเราก็ยึดให้มันเป็นสุขไปตลอดพอไม่สุขเพอาะมันปวดมันเมื่อยมันทุกเนี่ยเรา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 ตอนนี่นอกจากยึดอยากว่าให้มันเที่ยงให้มันสุกแล้วก็ยังยึดอยากว่ามันเป็นของเรามันเป็นเราเป็นของเราความยึดมาเป็นเราเป็นของเรานี่เนี่ยนะจะว่าไปแล้วคือตัวการสำคัญที่สุดเวลาข้าของทรัพย์สมบัติมันเกิดเสื่อมไปเสียไปหรือหายไป นะถ้าเป็นของคนอื่นนี่เราไม่ทุกนะเงินเพื่อนถูกขโมยไปถูกโกงไปเออเราก็เห็นใจนิดหน่อยแต่เราก็ไม่ได้ทุกมากเราปลอบใจเพื่อนโดยสร้าเงินทองเป็นของนอกกายแต่พอเงินของเราหายสิบางทีน้อยกว่านั้นแค่หนึ่งในสิบนั้นแหละโอ้เราทุกเลย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 แต่พอเราเจ็บป่วยเองบ้างนี่มันไม่ธรรมดามันทุกข์มากเพราะอะไรเพราะเราไปยึดวันนี้ร่างของเรากายของเรามีความตายมีความสูญเสียที่ประเทศจีนเพราะแผ่นดินไหวตายกันเป็นแสนที่อิหร่านตายกันเป็นหมืน่นที่ซีเรียนี่ฆ่ากันเป็นเบือตายเป็นหมื่นแล้วเราฟังก็เฉยเฉย แต่เพียงแค่ได้ข่าวว่าเพื่อนเราป่วยหนักญาติเราหลานเราเป็นมะเร็งเรากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ที่ตายในจี น, นในอิรานนั้นไม่ใช่ญาติของเราเพื่อนของเราที่ตายในอ e ี C ิปตเรีย e ก็ไม่รู้ใครนะแต่ว่าพอมันเกิดกับหลานของเราเกิดเพื่อนของเรานี่ทุกเนะพราะความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรา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 อย่าเมื่อยแต่เราสั่งได้ไหมใจก็เหมือนกันนะก็ไม่ใช่ของเราเพราะถ้าเป็นของเราเราก็สั่งได้ว่าเอออย่าเครียดอย่าเบื่ออย่าเซงอย่ากโกรธอย่าเศร้าเสียใจอย่าฟุ้งซ่านมันก็สั่งไม่ได้แม้แต่จะคิดแม้แต่จะนึกหรือคาดเดาว่าอีก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 จริงความยึดมันก็แสดงอาการออกมาในอีกลักษณะที่ง่ายๆกว่านั้นเช่นเวลาเราโกรธใครนี่ก็จะยึดก็จะคิดถึงคนที่เราโกรธอยู่ตลอดเวลากินก็คิดนอนก็คิดเข้าห้องน้ําก็คิด น, นี่ก็เรียกว่าความยึดนะทั้งทั้งที่น่าจะปล่อยมากกว่าความเกลียดมันเกิดขึ้นใครก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่ทําไมเรายึดเอาไว้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 เรียนรู้การปล่อยวางทุกเพราะยึดนะเมื่อปล่อยก็เป็นสุขหลวงพ่อชาท่านพูดไว้นั่นเขียนไว้ดีบอกว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดนะทุกหลุดเพราะปล่อยนะทุกมีเพราะยึดนะทุกหลุดเพราะปล่อย ด้เหตุนี้เนี่ยนะคำสอนของพทุทธองค์เนี่ยนะถึงเน้นเรื่องการปล่อยอย่างที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ยนะความสุขในพุทธศาสนาเกิดจากการละเกิดจากการสละเราฝึกให้รู้จักปล่อยด้วยการให้ทานเป็นเบื้องต้นแล้วจากนั้นก็ภาวนาภาวนาเช่นการเจริญสติการแผ่เมตตา การเจริญสตินี่มันช่วยมากนะมันทำให้เราได้ได้ได้เรียนรู้วิธีการปล่อยปล่อยวางอารมณ์ฐานนี่เป็นการฝึกปล่อยวางทรัพสมบัตินอกตัวแต่บางคนให้ฐานไม่เป็นนะยิ่งให้ยิ่งยึดผู้เจ้ารวมาฐา น, นี่เป็นเครื่องกำจัดความตนนี แต่หลายคนนี่ให้ทานเพราะอยากได้อยากเอามากขึ้นถวายสิอยากได้ร้อยบริจาคร้อยอยากได้ล้านบริจาคพันอยากได้สาสิบล้านนะอันนี้มันไม่ใช่เป็นเครื่องกําจัดความตําหนิหรือว่าละความโลภแล้วยิ่งทํายิ่งยึดยิ่งอยากอยากได้มากนะไปยึดอยากว่าเงนินทองนี่เป็นความสุข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 แทนที่จะเรียนรู้การปล่อยวางที่งถ้าเจริญสติแล้วก็จะเราเห็นรู้ทันความคิดก็จะวางได้ได้ง่ายได้เร็วไม่ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็ไม่เอาแค่รู้เฉยๆรู้แล้วมันก็จะวางเองไม่ใช่ว่าคิดดีเอาคิดชั่วไม่เอานะั่นไม่ใช่นะคิดดีก็ไม่เอาคิดชั่วก็ไม่เอา สุขเวทนาก็ไม่เอาทุกขเวทนาก็ไม่เอาเอาทําแค่เห็นหเฉยๆเห็นเลยรู้นะอย่างที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนสอนรู้เฉยๆรู้ซื่อๆคือว่ารู้โดยที่ไม่ไปแทรกแสงไม่ไปเอาไม่ไปคลอเคลียรหรือไม่ไปยึดแล้วก็ไม่ผลักใส่ไม่ผลักใสไม่ควยคว้ารู้เฉยๆ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 ต้องปล่อยในี่ถึงจะสบาย่ยาผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมีเป็นคนมีฐานะร่ำรวยแล้วก็ถือตัวว่าเป็นคนเก่งนะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างดูถูกคนแล้วก็ขณะเดียวกันก็เอาใจตัวนะตามวิสัยคนมีเงินที่มีฐานะ ชุนเฉียวง่ายอะไรไม่ถูกใจก็โกรธโมโหแล้วในสุดก็เกิดอมัมพฤกษ์ เ, เซลล์หิดในสมองแตกพราะนิสัยใจคอเป็นอย่างนั้นก็ทำให้นิทให้เซ้นเลือด ใ, ในสมองแตกเป็นอมัอมาพาตครึ่งซีแ่ก็ทุกข์มาก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 มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยทําให้เป็นสุขได้แล้วยิ่งนึกถึงความตายก็เห็นชัดว่า้สมบัติเหล่านี้เอาไปไม่ได้เลยก็เริ่มปล่อยนะเริ่มวางทีแรกก็วางเรื่องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติรวมทั้งความถือเนื้อถือตัวก็ปล่อยตอนหลังก็มาเห็นนึกว่า ในเมื่อมันใกล้จะตายแล้วนะจะอยู่ได้ไม่นานนะก็อยู่ให้ยังมีความสุขดีกว่าก็เลยคลายความคลายความเครียดคลายความยึดมั่นลงอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเวลาหมอมันแนะนําเขาก็ทําตามหมอไม่เถียงหมอว่าอไรก็ว่ากันทําตามที่หมอแนะนําโดยที่ไม่ได้หวังว่ามันจะหายหรือไม่หาย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 เป็นทุกข์ถ้าวางเมื่อไหร่ก็สบายสบายทั้งกายก็คือร่างกายก็ฟื้นเป็นปกติสบายทั้งใจแต่คนเราไม่จำเป็นต้องรอให้ความทุกข์มาสอนก็ได้นะบางคนเจอความทุกข์เท่าไหร่ก็ยังไม่เรียนรู้เอาแต่ทุกข์อยู่นั่นแหละทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจ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 มันไม่เพียงแต่ทําให้เราปล่อยวางความคิดความความยึดความอยากลงเท่านั้นนะไม่เพียงแต่ช่ยทำให้เราปล่อยวางความคิดแต่มันทำให้เราเห็นว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเพราะยึดเพราะอยากคนเรานี่ทุกเพราะความยึดความอยากที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่ทุกเพราะดินฟ้ากระไม่ใช่ทุกเพราะคําพูดของเพื่อนนะไม่ใช่เพราะว่าเงินถาย หรือว่าของเสียแต่เ พ, เพราะความที่ความอยากในใจเริ่มจากการที่คิดถึงมันทั้งที่มันผ่านไปแล้วก็ยังคิดถึงมันไม่ว่าจะเป็นของรักของห่วงที่สูญเสี ย, สสยไปหรือสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นก็เก็บเอามาคิดแค่คิดก็เป็นทุกข์แล้ว แต่พอปล่อยวางได้มันก็สบายต่อมาก็จะเห็นมากขึ้นชัดขึ้นว่าอ๋อที่ทุกนี้พอเราไปยึดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเรายึดตะพึดตะพื้นเลยนะโดยเพราะกายกับใจนียมันมีแต่ตัวเราตลอดเวลามันมีแต่ตัวเราทำโน่นทานี่ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราที่ทำโน่นทำนี่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 ให้ความเป็นเราทำโน่นทำนี่เป็นโน่นเป็นนี่ก็จะค่อยๆหายไปจะคิดว่าเราทำโน่นเราเป็นนี่นี่ทุกนะจะพอไม่เห็นไม่ไปเห็นตะพืดนตะพื้พพพว่าเป็นเราแต่เห็นแค่กายกับใจเห็นว่ามันมีแต่กายกับใจมีแต่กายทำนั่นจิตทำนี่ไอ้ความทุกข์มันก็จะคลายไปเยอะเลย เราโกรธนะจะเห็นความโกรธที่ใจต่างกันนะเราเครียดจะเห็นความเครียดที่ใจมันต่างกันเราปวดจะเห็นกับเห็นความปวดที่กายเราเมื่อยจะเห็นความเมื่อยที่กายนี่มันต่างกันอันนี้ก็เริ่มเรียกปล่อยวางแล้วความยึดว่าเป็นเราเป็นของเรามันเริ่มคลายแล้วก็เห็นความจริงไงว่ามันไม่มีเรามันมีแต่กายกับใจรูปกับนาม เราก็จะเห็นเลยว่าอ๋มันไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่ีอะไรที่เป็นสุขไม่มีอะไรที่เป็ น, เ ป, นเป็นตัวเราของเราเลยไม่แต่อย่างเดียว mm. สิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์นะก็จะปรากฏแก่เรามากขึ้นก็จะไอความที่ความอยากว่าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือสิ่งทั้งพวงเที่ยงเป็นสุขเป็นของเราเป็นเราก็จะคลายไป mm. นะอันนี้ก็เรียกว่าปล่อยวาง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 สละเกิการปล่อยวางอย่างสิ้นเชิงและเมื่อปล่อยวางแล้วทุกข์ก็หายไปมีแต่ความสุขมาแทนที่เป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากการมีนะการได้การเสรนะแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการละเป็นสุขคนละแบบนะกับที่ชาวโลกเขาปรารถนาสุขแบบนี้มันมันเหนือสุข ที่คนทั่วไปรู้จักเป็นสุขที่อยู่เหนือโลกเรียโลกุตตระโลกนี้มาถึงโลกธรรมก็ได้เพราะฉะนั้นนี่ก็ให้เรานะลองหมั่นทำขเข้าใจนะว่าทุกนี่คืออะไระสาเหตุสาเหตุแห่งทุกที่แท้จริงคืออะไรได้ไม่ช่วยนำทางให้เราพาจิตพาใจพาชีวิตของเราได้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงได้ อ๋อแล้วช้อนนี้ก็พกับท่า น, นี้